ขอกาพระอาจารย์ไพศาลพระเทลานุเถระเพื่อสัตว์มีทุกท่านจเจริญธรรมสามในรีไม่ฉีระยะจันทุกท่าน <c oughs> ในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุใหม่ๆนะแล้วก็ได้ทรงเห็นพิจนาผู้ที่จะรับฟังธรรมในเบื้องแรกก็ไปที่อาราดาบทเลท่โทกดาบทแต่ก็ได้ทราบ ว, ว่าได้มรนภาพไปแล้ว <c oughs> ต่อมาก็เห็นว่าปัญญวัคคีนี่แหละเหมาะที่จะฟังทำนะก็เลยเดินทางมาแสดงให้กับปัญญวัคคีทำ <c oughs> ปัญจวัคคีได้ฟังแต่โดยเหตุที่ปัญญวัคคีนีนะ้มีใจที่ไม่คำรบพุทธองค์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเห็นว่ า, าในตอนนั้นที่ได้ทรงทรมานตนเพื่อที่จะบรรลุธรรมแต่ได้กลับมารับประทานอาหารอีกครั้งหนึ่ง ก็คิดว <asthma> ่าจะต้องไม่มีทางบรรลุเป็นพระธรรมบาสูงขึ้นเจ้าได้อย่างแน่นอนก็เลยหนีมาเพราได้ความคิดเช่นนั้นนะก็เลยฝังใจว่าพระเจ้านี้ไม่มีทางบรรลุทำแน่นอนเลยดังนั้นในธรรมกันแรกหรือปฐมเทวนาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงถึงส่วนสุดตรงสองอย่างในธรรมจักรกวนาสูตรก็คือการมาสุขาริการนุโย คือการที่ไปเสวยไปพองเกี่ยวไปพัวพันอยู่ในความใคร่ในกามทั้งหลายว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วก็การที่ทรมานตนเองต่างๆมีการอดอาหารเป็นตนก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์อันนี้ก็เพื่อที่จะแก้ทิฐิของปัญจวัคคีนั่นเองนะเพราะว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้ก็จะหลุดแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่หลุด แต่จริงๆก็ยังยังไม่หลุดทีเดียวนะหลังจากที่แก้ตรงนี้แล้วก็ต้องแสดงอริสัตย์สี่ต่อนะว่าตรงเนี้ยมันมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีความดับทุกข์และมีหนทางแห่งการดับทุกข์อันเนี้ยเมื่อเมื่อแสดงตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการแก้ที่อเป็นอีกระดับหนึ่งให้เห็นว่ามีทุกข์แล้วก็ความค้นทุกข์ได้มีอยู่จริงนะซึ่งตรงนี้พอแสดงไปแล้วเนี่ย ก็ปรากฏว่าพระโกลทันยะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามันรลุเป็นพระโสดาบันและหลังจากนั้นวันต่อๆมาอ่าปัญญวิทยที่เหลือก็บรรลุเป็นพระโสดาบันตามลำดับอันนี้เหมือนกับว่าในระยะแรกเนี่ยเป็นการชําระจิตของปัญญวคีก่อนจากที่เป็นลบเนี่ยให้เป็นบวกขึ้นมา เหมือนกับว่าอ่าเขียวเนี่ยเขียวเนี่ยก็ได้เกี่ยวหญ้ามารวงกันก่อนนะก็ได้ระดับหนึ่งรวมกันแล้วเนี่ยแต่เมื่อเกี่ยวหญ้าแล้วก็ต้องตัดฟันฉับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ขาดจริงๆนะคันนี้ก็ยังไม่ขาดก็เป็นแค่โสดาบันนะคันนี้ต้องฟันฉับให้ขาดนี่ก็สรงแสดงอนัตตลักษณ์สูตรที่เราสวดไปแล้วเมื่อสักครู่นี่แหละ เพราะว่าผ่าตันี้เป็นผสูตัที่สําคัญในการที่จะตัดเยื่อใยในความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงในความเป็นร่างกายจิตใจให้ขาดจริงๆนะก็เลยต้องใช้เคียว เ, ยเมื่อรวบพอ ม, มัแล้วก็ต้องตัดให้ขาดเลยนะก็เลยทรงแสดงนักตละลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นผสูตัที่สําคัญยิ่งในการที่จะตัดขาดจากความยึดถือผูกพันในร่างกายและจิตใจนี้ในพวกเราเชาว พุทธทุกท่านที่ได้ฟังธทมหรือได้ปฏิบัติรมก็เพื่อที่จะบรรลุถึงตรงนี้นั่นแหละให้เห็นถึงความเป็นนัตตาของกายและใจนะก็ได้ทรงเรียกปัญจวัคคีย์หมายครั้งหนึ่งาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขาริญญาณไม่ใช่ตัวตนนะถ้าว่าเป็นตัวตนแล้วไซร์เนี่ยรูปก็ต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธนะเราย่อมได้ในรูปตามใจหวัง ว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่โดยความเป็นจริงแล้วรูปจึงรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ตัวตนแล้วรูปนี้ก็ย่อมเป็นไปเพื่อผ้าเราย่อมไม่ได้ในรูปตามใจหวังว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะแล้วก็เวทนาสัญญาสัง่งใครมิเญ่นก็เป็นลักษณะเดียวกันนะก็เคยชี้ในคันแรกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนหรอก นะถ้าเป็นตัวนตนเราก็บังคับเขาได้ว่าต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะไม่ไม่เป็นไปเพื่ออภายอภัยก็คือความอ่าที่เป็นทุกข์ต่างๆนะในโรคภัยไข้เจ็บในความยากลําบากต่างๆเนี่ยถ้าถ้าเราบังคับเขาได้เขาก็ต้องตามใจที่เราต้องการได้ทุกอย่างไม่เป็นไปเพื่ออภายต่างๆเลยนะแต่เพราะเหตุที่เขา <c oughs> ไม่ใช่ตัวเมตตนนี้แหละเขาจึงเป็นไปเพื่ออภายแล้วเราก็ บ, บังคับก็ไม่ได้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นไปไม่ได้ตามที่เราต้องการนะว่าเป็นแบบนี้อยากได้เป็นอย่างนั้นมันบังคับอะไรไม่ได้เลยตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ว่าไปแก้ในความยึดมัน่นคือในขั้นแรกก็ให้เขาเห็นความจริงเลยว่าเราบังคับก็ได้ไหมในรูปเวณาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละหรือกายและใจเระบังคับก็ได้ไหมนะคร น, นี้ถ้าเรากลับมาเห็นความจริงบ่อยๆนะว่าเราบังคับก็ไม่ได้เลย นะกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้จริงๆนะบังคับให้เขาในขั้นแรกบังับเขาาให้แก่อย่าใเจ็บอย่าใตายได้ไหมแล้วก็บังคับก็ไม่ได้นะอบังคับให้เขาอย่าให้หิวย่าให้ปวดเมื่อยนะอย่าให้สิ่งต่างๆเวทนาเกิดขึ้นในใจมันบังคับไม่ได้เลยนะเขาต้องหิวเขาต้องปวดเมื่อยนะเขาต้องทุกข์ทรมานต่างๆเนี่ยกายบังคับไม่ได้เลยอ่บังคับนะ อย่าให้ผมงอกอย่าให้ฟันหักอย้ายหนังเหี่ยวอย้ายหูตึงต่างๆบังคับไม่ได้ทั้งนั้นกายนี่บังคับไม่ได้จิตใจก็บังคับไม่ได้นะจิตใจบอกว่าให้สงบสักห้านาทีก็ยังไม่ได้เลยะให้หยุดคิดห้านาทีไม่ได้นะให้เขาไม่โกรธไม่ได้ให้เขาไม่รักไม่ชังไม่ได้ อารมณ์ที่เราปรารถนาต่างๆบังคับเขาไม่ได้ทั้งนั้นนะออยากให้ความรักอยู่เรานานๆก็ไม่ได้อให้ความทุกข์ออกจากใจเรายัางรวดเร็วก็ไม่ได้อันนี้มันต้องเห็นบ่อยๆนะในการปฏิบัติธรรมในตรงนี้ยต้องเห็นบ่อยๆว่าเราบังคับเขาไม่ได้ะเพราะเหตุที่บังคับไม่ได้เนี่ยเขาจึงไม่เที่ยงให้เราเห็นนะอะบางทีเราปฏิบัติธรรมเมื่อวานโอ้มีความรู้สึกดีมากเลยวันนี้ กลับหลงบ่อยๆหลงทั้งวันบังคับไม่ได้แล้วความคิดก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะเห็นความคิดเขาทางานเขาเองนะไม่ใช่เราอยากเขาคิดหรอกเราก็รู้ว่าความคิดมันเป็นสิ่งที่ว่ามันฟุ้งซ่านไปแต่เราก็บังคับไม่ได้เราก็มีหน้าที่เพียงแค่เห็นเท่านั้นเองว่าเออความคิดเขาเกิดขึ้นแล้วนะแล้ว ก, กลับมารู้สึกตัวแล้ว ก, ก็ดับไปเนี่ยก็คือสภาวะหนางอย่างหนึ่งบ้าเราไปบัตทําเบื่อเห็นว่าเราบังคับก็ไม่ได้ เขนะาแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วการมาทํามันจึงเห็นในสิ่งเหล่าเนี้ยว่าเราสามารถที่จะบังคับก็ไม่ได้เลยนะมันเป็นไปตามเช่นนั้นจริงๆมไม่ใช่ว่าเขาต้องรู้สึกตัวได้ทุกๆวันนะเขาต้องคนะิดน้อยหรือไม่คิดนะหรือเขาต้องสงบอนะหรือว่าต้องเป็นไปตามที่เราต้องการนะถ้าเป็นไปเช่นนั้นมันก็เป็นตัวเป็นตนของเราในนั้นแหละเราก็จะเห็นเราก็จะไม่เห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้ เพราะนั้นการปฏติธรรส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เราเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้เท่านั้นเองนะมันก็ต้องกลับมาเห็นบ่อยๆเออทั้งอ่ารูปเวทนานะสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบังคับเขาไม่ได้เลยเขาจึงมีความไม่เที่ยงเราเห็นนะเมื่อเราเห็นบ่อยๆในสิ่งแล้วเนี่ยในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็จะค่อยคลายนะความยึดถือในอร่างกายในจิตใจนี้ออกมานะหลังจากที่ได้ส่งแสดงว่าบังคับสิ่งต่างไม่ได้แล้วเนี่ยก็ได้ส่ง ถ า, ามภิกษุทั้งหลายว่าดูความภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เ, าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่ตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเฉะนั้นพระเจ้าข้า อันเนี้ยตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเลนะที่ได้ทรงชี้ชี้อีกครั้งหนึ่งนะว่ารูปใบนาสัญญาสิงขายิญญาก็คือกายและใจเนี่ยมันก็มีความไม่เที่ยงกลับมาเห็นถึงความไม่เที่ยงนี้ให้ชัดเจนะถ้าเราเห็นในตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจจริงๆนะว่าตั้งแต่เราเกิดมาไม่มีอะไรเที่ยงเพือย่างหนึ่งนะถ้ามันเที่ยงมันก็เป็นเราก็ยังเป็นเด็กนั่นแหละร่างกายก็ไม่เที่ยง จิตใจก็ไม่เที่ยงเนี่ยมันจึงต้องเห็นความไม่เที่ยงในทุกให้เห็นอย่างชัดเจนเห็น บ, บ่อยๆนะครูบาอาจารย์ท่านก็นเน้นในตรงนี้มาแถบทั้งนั้นให้เห็นในความไม่เที่ยงนั่นแหละโดยพระหลวงวชานะหลวงวชานี้ท่านจะพูดอยู่เสมอว่าไม่แน่นะทุกอย่างมันก็ไม่แน่มันไม่ไมีอะไรแน่เลยท่านจะสอนลูกศิษย์อยู่เสมอในเรื่องให้เห็นความไม่แน่หรือแม้แต่บางทีบางครั้งท่านก็มนงจะสรุป ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าที่ท่านไปบัตรรมมาทั้งหมดต่างๆก็เพื่อหเห็นความไม่แน่นั่นเองนะมันเป็นความไม่แน่ที่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วนะถ้ามาบอกลูกสิทธิ์ต่อให้เห็นในความไม่แน่บ่อยๆนะก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะก็ในสมัยหนึ่งท่านก็เคยเข้าตัวเมืองแล้วก็ได้ยินมาเพลงเพลงหนึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนนะก็จะมีซร้อยบอกว่าพอร้องร้องไปก็ลงท้ายด้วยส้อยว่ามันบ่นแน่ดอกนายมันบ่ได้ดอกนาย ท่านฟังบอกว่าทัานมาบอกลูกศิษย์ว่าเพลงนี่ยเป็นอเป็ น, เ, ปนเพลงที่ดีเป็นเพลงที่แสดงอ่าถึงความจริงเพราะวันมีมีการบอกว่ามันไม่แน่ทุกอย่างไม่แน่นะอเป็นความที่เรียกว่าท่านก็ชี้ตรงนี้ลูกศิษย์ให้มบาบ่อยมันไม่แน่นั่นแหละเพื่อลูกศิษย์ เ, ยเกิดความเข้าใจในขั้นแรกก่อนแล้วต่อมาก็มีลูกศิษย์บางคนที่ใจกล้าะก็ถามท่านอ มันก็อยากให้ท่านดูโชคชะตาให้ลูกศิษย์คนนี้สักครั้งหนึ่งว่าท่านลูกศิษย์คนนี้เป็นอย่างไรหลวงพ่อชานี่ไม่เคยดูดวงชะตาย ใ, ใครเลยนะแต่วันนั้นก็กนึกคลึ่นขึ้นมาบอกว่าได้จะดูดวงชะตายแล้วกันนะลูกศิษย์นี้ก็ดีใจมากหลวงพ่อชาไม่เคยดูดวงชะตาย ใ, ใครเลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่หลวงพ่อชาจะดูให้เราเนี่ยจะต้องมีความแม่นยําออย่างแน่นอนนะหลวงพ่อชางบอกว่า อ, อนาคตของเธอนะ มันเป็นสิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอนนะพอพูดงี้ปุ๊บลูกศิษย์ก็เลยรู้แล้วโหท่านดูได้ถูกต้องได้แม่นยำจริงๆเราอนาคตนั้นมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะเนะี่ยก็คือจริงๆมันอย่างไี้หลวงพ่อชางว่านั่นแหละอนาคตของคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะอันเนี้แสดงว่าท่านจะอ่สอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่ามันไม่แน่นะนะซึ่งเนี่ยก็เป็นเหตุให้อหลายๆลูกศิษย์มันเป็น ส่วนหนึ่งนะก็คนจะได้ธรรมะในตรงนี้ไปเยอะมากเลยนะก็ไปขยายความต่อได้เ <c oughs> นี่ยเพราะฉะนั้นในในความไม่แน่ไม่เที่ยงมันสามารถที่เราจะมองเห็นได้ได้ง่ายนะอ า, อาจจะมองได้ง่ายกว่าความไม่หน้านตาสนะเพราะาชีวิตประจําวันแล้วมันก็ไม่แน่อะไรสักอย่างหนึ่งนะมันไม่มีอะไรแน่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตประจําวันเราเลยบางทีเราวางแผนไว้ อ, อย่างหนึ่งว่าจะทําอนาคตเนี่ยอีกอีกสักสองอาทิตย์จะทำเลยสักอย่างหนึ่งนะ แต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เราทําอะไรไม่ได้นะมันเป็นยิ่งอยู่ประจํานะอตรงนี้เราสามารถเห็นได้แม้แต่การวางแผนของเราที่เราคิดว่ามันแน่แล้วนะมันก็ยังไม่แน่เลยนะและสิ่งอย่างอื่นที่เราไม่แน่ใจมันยิ่งไม่แน่ใหญ่นะพราะมันจึงต้องพิจารณาไปไกลอีกนะว่ามันเป็นสิ่งที่มันแน่หรือไม่แน่ถ้ามันแน่เนี่ทุกคนก็ไม่ตายหรอกนะแต่เพราะมันไม่แน่เนี่ยเราจึงต้องตายกันนะต้องมีความทุกข์มีอะไรต่างๆมากมายนะเพราะเราบังคับก็ไม่ได้นั่นเองนะ เนี่ยพอเห็นความไม่แน่ไม่เที่ยงนะมันก็จะเข้าใจนะมันมันเป็นความเมื่อมันไม่เที่ยงมันจะเป็นความทุกข์นั่นเองนะเรารักใครเรารักใครแล้วเนี่ยเขาไม่รักตอบเราก็ทุกข์แล้วอะเราจะบังคับให้เขารักเราก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่อาจที่บังคับก็ได้เลยคนที่เขารักเรานะเขาก็ไม่รักตลอดกาลนะออนาคตเขาก็ไม่รักเราแล้วนะเขาต้องไปมีมีกิ๊กมีอะไรใหม่เนี่ยแสดงถึงความไม่แน่นะ คนที่รักกันใหม่ๆบอกว่าเออจะรักเธอชั่วฟ้าดินสลายนะอันนี้เป็นคนโกหกนะโกหกอย่างแน่นอนเลยนะมั น, นเป็นความไม่แน่ไม่นอนอคนที่จัดงานแต่งงานใหญ่โตหมู่ล้านหมดเป็นสิบสิบล้านนะแต่งกันแค่เดือนเดียวก็เลิกนะอมีเยอะแยะไปทําไมจะไม่มีนะอันนี้แสดงหนึ่งความไม่แน่ไม่ไม่เที่ยงอย่างแน่นอนนะทุกวันเนี้มันได้อย่างหนึ่งสิ่งที่คนเราในในยุคนี้มันไ่าจเห็นได้ง่ายนะ อย่างเช่นกีฬาเอเจนเกมนี่แหละนะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วมันไม่แน่จริงๆเลยนะกีฬานี่มันคิดว่ามันต้องชนะแน่นะแต่มันก็แพ้นะอ่ต่างๆมีคนบางคนบอกว่าในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเขาโชคดีนะที่ไม่ได้ดูถ่ายทอดฟุตบอลโลกเพราะว่าเขาเชียร์ทีมไหนปรากวฏทีมนั้นแพ้ตลอดเลยนะถ้าเขาดูนี่ก็ต้องทุกทุๆครั้งเลยนะอืมเนี่ยมันจริงๆแล้วการคุณดูกีฬาเนี่ย ถ้าหากว่าเราดูด้วยความเป็นกลางของใจเป็นผู้ดูแล้วมันก็ไม่ทุกขนะ์เพราะมันไม่แน่จริงๆนะแต่เรา <c oughs> เราไม่ได้ดูด้วยใจเป็นกลางไม่ได้ดูด้วยเป็นผู้ดูแต่เป็นผู้เป็นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันแพ้ปับ๊บเราก็มีความทุกข์ทันทีนะไปโทษกรรมการบ้างนะโทษดีฝ่ายนึ่งโกงบ้างนะมันเป็นสิ่งที่ว่าเราไม่ได้เข้าใจถึงความเป็นจริงในการดูกีฬานะว่าใจของเราเนี่ยมันดูด้วยความเป็นกลางได้ไหม ถ้าเราอินเข้าไปล่ะมันต้องมีความทุกข์ตลอดเพราะว่ามันยิ่งแข็งมันยิ่งกลายเป็นยอดพีดร์มิตนะเหรียญทองมีเหรียญเดียวนะเพราะฉะนั้นคนที่ตกรอบต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะถ้าเราใจเป็นแบบนั้นเราจะเห็นว่าเออไ อ, อคนที่มันมันผิดหวังมันมีมากนะมีมากไม่ใช่เฉพา ะ, ะพเราคนเดียวแต่ที่สมหวังจริงๆก็มีแค่คนสองคนนั้นเองนะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเราดูด้วยแบบนี้เราก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราดูด้วยใจที่ไม่เป็นกลางแล้วมันก็เป็นความทุกข์เนี่ยนะนะ ตรงนี้พอหลังจากที่เราเห็นความไม่แน่ชัดเนี่ยมันจะค่อยๆสรุปไดเองนะความคิดต่างๆมันก็ไม่แน่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะความโกรธก็เหมือนกันเข้ามาก็าก็มาชั่วคราวนะแล้วเขาก็ไปนี่คือความไม่แน่ของความโกรธนะแต่ถ้าเขาอยู่กับเราตลอดกาลนั่นแหละแสดงว่าเขาเป็นของเราแล้วนะความรักเกิดขึ้นมาตลอดกาลเขาเป็นของเราแต่ว่า เขาก็มาแล้วก the so so so like, ็ไปนแสดงว่าเขาก็ไม like, like, ่เชงเราอยู่ดีนะมันก็มาแล้วก็ไปจะเป็นของเราได้อย่างไรเราบังคับไม่ได้เลยนะความรักอยู่แล้วก็นานๆก็ไม่ได้เนี่ยมันบังคับไม่ได้มันจึงไม่เชงเราไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยกลับมาเห็นตรงนี้บ่อยๆนะเรามันก็จะค่อยๆเข้าใจในความเป็นจริงนะเริ่มจาความไม่แน่เนี่ยเห็นง่ายๆนะพอหลังนั้นก็มาดูทุกขังเอทุกขังมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราบังเรา มันทนในสภาวะเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะทุกอย่างทนในภาวะเดิมไม่ได้ทั้งหมดนะเรานั่งเดยวก็เมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมายืนเดินนั่งนอนนี่คือความที่มันทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะทุกสิ่งมันไม่อาจที่จะเป็นสภาวะเดิมได้ทั้งหมดเลยมีความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความทุกข์ทั้งหลายนะถ้ากลับมาเห็นตรงนี้บ่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าใจความจริงในชีวิตเราว่าเราบังคับสิ่งต่างๆเราเนี่ยไม่ได้เลย เขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับไปตามสภาวะธรรมธรรมดานะเพื่อกลับมาอะไรกลับมาเห็นว่าเมื่อเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้แล้วเขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเนี่ยมันมาสรุปในตรงนี้เลยนะถ้าเราบังคับเขาได้เขาก็จะเป็นตัวเป็นตนแต่เมื่อเราบังคับเขาไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเ <c oughs> นี่ยถ้ากลับมาสรุปตรงนี้ได้นี่มันก็จะวางได้เร็วขึ้นนะ คราวนี้เนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆสรุปได้เองความคิดเข้ามาแล้วก็ไปความคิดเข้ามาแล้วก็ไปมันจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแน่นอนนะมันเป็นสิ่งที่มันสามารถที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้อ่าจริงๆแล้วมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้เขา้าเก็บเข้ามาสรุปเท่านั้นเองอย่างที่พระเจ้าได้ทรงบอกว่ารูปเวนัสัญญาสังกายวิญญาณมันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ของเราในขณะที่เราคิดนี้แต่มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่ตนแล้ว นะเพราะฉะนั้นสิ่ ง, งต่างๆนี่เกิดขึ้นมันจึงไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนกันนะเพียงแต่เราไปยึดถือเข้าไปครอบครองนะโดยพรตการโดยการตู่เอาแทบทั้งนั้นเลยนะคราวนี้นะ่ะถ้าเรายังไม่เห็นในตรงนี้อีกนะก็ได้ทรงแสดงในสติปัฏฐานสี่อีกครั้งหนึ่งนะในตรงเนี้อีกยาวเหยียดเลยนะอนะมันจะชี้กับเข้ามาในความไม่ตัวไม่ตนนะอย่างที่เรานะได้เคยสวดในบทว่า เกสาโลมานะขาทัานตาตะโจนะก็คือความที่ให้กลับมาเห็นนะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่ปฏิกูลเท่านั้นเองนะอาการสายพิษสองนี่แหละมีผมขนเล็บฟันหนังและกระย ะ, ะภายในตับปอดหัวใจ ม, ม้ามอวัยวะน้อยใหญ่ภายในมันเป็นแค่ปฏิกูลสัญญาเพื่อเรานึกถึงเท่านั้นเองอพอเรานึกถึงแล้วเนี่ยมันก็มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเมตตนของเรา นีจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยที่ต้องการที่จะชี้กลับมาว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราะคราวนี้พอเราถ้าเขาเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นปรากฏการอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างเป็นเป็นของเขาเองไม่ใช่เรานะเราจะกลับมามีปัญญาอ่าที่จะเริ่มเข้าใจในความเป็นจริงแล้ว <c oughs> อ่าไม่ว่าจะเป็นความรักความชางังความโกรธความเกลียดทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นอใครมานินทาเรามาว่าเรามันก็จะกระทบเราแรงๆเลยเพราะมัน มีกระทบเราจากการที่เร า, ามีตัวตนเยอะนี่แหละเข้ามาว่าเราก็มาด่าเราเราก็โกรธนะเราก็โกรธไปแต่ว่าเราตอนหลังถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วเขาโกรธเราก็เห็นว่ามันเป็นแค่ความโกรธนะเป็นแค่ความโกรธเท่านั้นเองไม่ใช่เรานะเป็นแค่ความโกรธเกิดขึ้น flat, <c oughs> ความโกรธตั้งอยู่แล้วความโกรธที่ดับไปไม่ตัวไม่ตนของเราเมื่อก่อนเป็นยึดตัวของเราเราก็ทุกข์แต่ตอนหลังเราเห็นว่าเมันก็เป็นแค่ความโกรธเท่านั้นเองไม่ตัวไม่ตนมันก็ดับไป ก็คือเป็นของเขาเองอ่เป็นสภาวะที่มันเกิดจาก จ, จิตที่ไม่ใช่ของเราสิ่งที่เกิดจากไม่ใช่เรามันย่อมไม่ใช่ของเราด้วยนะเมื่อจิตไม่ใช่เราแล้วสิ่งที่เกิดจากจิตคือความโกรธมันจึงไม่ใช่เราด้วยมันก็เห็นว่าเป็นของเขาเองเช่นั้นเองอถ้าเราเข้าใจเช่นนี้มันจะกลายเป็นผู้ดูได้ตลอดเวลาเลยนะมันจะค่อยๆสรุปมันก็เป็นเช่นนั้นเองทั้งหมดเลยความคิดก็เป็นเช่นนั้นขเขาเองเป็นของเขาเองความรักก็เป็นของเขาเองความชังก็เป็นของเขาเองความเกลียดเป็นของเขาเองอ่า คำนินทาคำสรรเสริญก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นของเขาเองอ่าความพอใจความไม่พอใจความบิดฉบ้ยความหึงหวงเป็นขเขาเองหมดเลยไม่ใช่เรามันจะกลายเป็นผู้ดูจริงๆเลยนะตรงนี้มันมันกลายว่าเมื่อจิตเข้าใจเช่นนี้แล้วเนะ่ะจิตก็จะเป็นกลางเป็นโปรติได้ง่ายขึ้นนะเป็นความโปรติหรือเป็นกลางนี่แหละมันก็ไม่ทุกข์เมื่อก่อนไปยึดเป็นของเรามันก็มีความทุกข์ต่างๆมากมายแต่ไปของเขาเองมันก็ไม่ทุกข์หรอกออว่าก็ว่าไปนะ ว่าก็ว่าแค่ขันห้าไม่ใช่เรานะมันจบไปในตรงนั้นเลยมันไม่มีการต่อเนื่องมันจึงเห็นสภาว่ธรรมต่างๆทํางานด้วยตัวเขาเองไม่ใช่เราะหลังนี้เราก็ไม่ต้ปฏิบัติอะไรแล้วนะมันก็กลายเป็นผู้ดูไปเฉยๆก็เท่านั้นเองนะมันได้เห็นสภาว่ธรรมที่มันทํางานเขาเองนะมันคิดก็คิดของเขาเองมันรักรักเขาเองมันชังอาชังเขาเองมันโกรธก็โกรธเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราแม้แต่นิดเดียวะจิตมันจะค่อยๆเห็นว่ามันเป็นแค่เพื่อนบ้านที่เขามาเยี่ยมเราเท่านั้นเองนะ เพื่อนบ้านเพื่อนเก่าแก่นั่นแหละความกรกก็เป็นเพื่อนที่เก่าแก่ถ้ามันไม่เป็นเพื่อนเก่าแก่แล้วก็นิี้ผานไปนานแล้วนะแต่มันเป็นเพื่อนเก่าแก่มันก็มาเยี่ยมเราเราเห็นว่ามันเป็นแค่เพื่อนเราแต่ส่อมาอก่อนมันเพื่อนอะไรมันคือตัวเราแต่พอเราเข้าใจแล้วมันก็คือเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเองนะเป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนบ้านนั่นแหละมันมาเยี่ยมเราเท่านั้นเองเมื่อมันเยี่ยมเราเราต้อนรับเขาไหมเราไปต้อนรับเราไปต้อนรับเขาเขาก็มาบ่อยๆถ้าเราไม่ต้อนรับเขาเขาก็ไปเขาเองนะมันไม่ได้ไปต้อนรับเขาหรอก ตอนรับก็คือเราไปให้ค่าในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในในใจของเรานะแต่เมื่อเราไปให้ค่าเราก็ไปเองเขาเองนี่แหละใจมันก็อมันก็เป็นกลางเป็นปติจากทุกสภาวธรรมเพรานะะมันเข้าใจในความที่มันไม่ใตัวไม่ตนในตรงนี้นะครานี้เมื่อได้ส่งแสดงในตรงนี้แล้วก็เลยส่งชี้ว่ารูปก็ดีรูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่ว่าจะเป็นในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคต ไม่ใช่ตัวไม่ตนนะมันไม่ตัวไม่ตนของเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะตั้งอดีตปัจจุบันแอนาคตไม่ใช่ตัวไม่ตนเราเลยนะเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้นะเราก็จะเกิดนิพินทางวิรชติก็คืออ่าก็คือเกิดวิอ่าเกิดวิลาค้าวิมุตติก็คือเกิดการปล่อยการวางวิลาคา้าอ่าวิลาค้าก็คือการที่เราเข้าใจมันเลยคลายจากความกําหนัดวิลาค้าวิมุตติอ่ามันจะเกิดนิพินทาง วิริยขิตนะเมื่อเกิดการเบื่อหน่ายเกิดกายคลายกำหนัดลงมานะเมื่อเกิดชิ้นนี้แล้วนะก็จิตก็หลุดพ้นนะเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วนะอันเนี้ยจึตเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นของปัจจุบันขี่พะเมื่อฟังในตรงนี้แล้วนะจิตก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเกิดเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนนี้จิตก็หลุดพ้นจากอสวรทั้งปวงนะก็เป็นรูปเป็นพระอรหันต์ นะเพราะฉะนั้นในอนัตตลักษณสูตรนี้จึงเป็นเหมือนกับเอาเคียวเนี่ยฟันฉับลงไปในยอดที่ได้กลับไปแล้วให้ตัดขาจริงๆนะหลังนั้นนะก็เป็นมรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะนั่นเกิดจากการฟังธรรมในอนัตตลักษณสูตรนะเพราะฉนั้นอนัตตลักษณลักษณะสูตรนีนะ้จึงเป็นธรรมที่มีความสําคัญและมีความยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาะเป็นการแสดงถึงความเป็นจริง ในพระไตรลักษณ์ซึ่งนุ่คนในโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือนับถือศาสนาใดๆแล้วก็ล้วนตกในกฎพระไตรลักษณ์นี้ทั้งสิ้นนั่นะก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตานั่นเองนะนะเป็นสิ่งที่คู่โลกมานะประจําโลกนี้มานานแล้วนะนะเป็นความจริงนะเป็นศรธรรมอยู่ที่ว่าเรากลับมาเห็นเขาไหมนะเรากลับมาสังเกตเขาไหมนะ ถ้ากลับมาเห็นกลับมาสังเกตและเข้าใจเราก็สามารถที่จะ อ, อบรรลุธรรมในทุกคนนะเพียงแต่วาเมื่อก่อนไม่มีใครมาชี้นะเท่านั้นเองแต่หลังจากทุกท่านได้ทรงบรรลุธรรมแล้วก็ได้นําสิ่งที่เป็นความจริงเนี่แหละกลับมาชี้ให้พวกเราเห็นอีกครั้งหนึ่งะเพื่อที่ให้เราเห็นให้เกิดการยอมรับให้เกิดการเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะเมื่อเราเข้าใจแล้วจิตก็จะเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการคลายกําหนัดเกิดการปล่อยวางาและ ถึงความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนนี้แหละในสุดก็จะเป็นรู้ถึงพระนิพพานได้ทุกคนเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระราตรให้พวกเรามีดวงตาเห็นธรมรมบรรลุถึงซึ่งความเป็นพระยเจ้าในชาบาันนิ้วท่านเธอ